6. ปาติเทสนิยกันคำถามคำตอบจำนวนอาบัติในปาติเทสนิยกัน 1. ปัปฐมปาติเทสนิยสิกขาบท174ถามภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วฉันต้องอาบัติเท่าไหร่ ตอบพิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนจากมือของพิกษุนีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวะกบ้านแล้วฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฏ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทสนียะทุกๆุกคำกลืน ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วฉันต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ 2. ทุติยปาติเทสนิยสิกขาบทภิกษุไม่ห้ามภิกษุณีผู้บงการอยู่แล้วฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาธิเทสนิยะทุกๆคำกลืน 3. ตัติยะปาติเทสนิยะสิกขาบทภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมุติว่าเป็นเสขะด้วยมือตนเองแล้วฉัน